พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตยปิฎกเล่มที่เจ็ดหมวดที่สี่วัดตคันธกะหมวดว่าด้วยวัดหรือข้อปฏิบัติ 1. อาขันตุ ก, กะวัดข้อปฏิบัติของผู้มาภิกษุอาขันตุกะคือผู้เป็นแขกมาสู่วัดอื่นปฏิบัติไม่ชอบด้วยมารยาทของอาขันตุกะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติวัดหรือข้อปฏิบัติไว้ดังจะย่อกล่าวต่อไปนี้ภิกษุผู้เป็นอาคัรตุกกะเมื่อจะเข้าวัดที่ตนขอพักอาศัยพึงถอดรองเท้าเคาะปุ่นในที่ต่ำลมร่มเปิดศีรษะเอาจีวรที่คลุมศีรษะลดลงมาบนบาค่อยๆเดินเข้าไปหาภิกษุผู้อยู่ในวัดวางบาจีวร นั่งในที่ที่สมควรแล้วถามถึงน้าดื่มน้าใช้ถ้าต้องการน้ำดื่มก็พึงดื่มถ้าต้องการน้ำใช้ก็พึงใช้ล้างเท้าวิธีล้างเท้าพึงเอามือข้างหนึ่งรดน้ำเอามืออีกข้างหนึ่งล้างแล้วพึงถามถึงผ้าเช็ดรองเท้าวิธีเช็ดรองเท้าคือเอาผ้าแห้งเช็ดก่อน แล้วเอาผ้าเปียกเช็ดที่หลังแล้วซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดให้แห้งแล้วตากไว้ส่วนหนึ่งถ้าภิกษุผู้อยู่ในวัดแก่กว่าพึงกราบไหว้ถ้าอ่อนกว่าก็เปิดโอกาสให้เธอกราบไหว้แล้วพึงถามถึงเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยถามถึงที่ควรไปและไม่ควรไปถามถึงสกุลที่สงสมมติว่าเป็นเสขะ คือพระอริยะถามถึงที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะน้ำดื่มน้ำบริโภคไม้เท้ากติกาของสงฆ์การหรือเวลาที่ควรเข้าควรออกจากวัดเมื่อที่อยู่ไม่มีผู้ครอบครองพึงเคาะประตูร อ, อครู่หนึ่งแล้วยกลิมสลักขึ้นปลักบานประตูยืนดูอยู่ภายนอกถ้าสามารถก็พึงทำความสะอาดที่อยู่ 2. อ, อาวาสิกกวัตข้อปฏิบัติของภิกษุเจ้าถิน่นภิกษุเจ้าถิน่นผู้อยู่ประจำในวัดไม่ค่อยเอื้อเฟื้อในภิกษุอคันตุกะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติวัดคือข้อปฏิบัติไว้ดังจะย่อกล่าวต่อไปนี้เมื่อเห็นภิกษุผู้แก่พันษากว่าพึงปูอาสนะตั้งน้าล้างเท้า สั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าลุกขึ้นต้อนรับรับบาและจีวรถามถึงความต้องการน้ําดื่มน้ําใช้ถ้าสามารถก็พึงเช็ดรองเท้าให้แล้วกราบไหว้และบอกให้ทราบเรื่องต่างๆที่ควรทราบเช่นที่ถ่ายอุจจาระปัสวะกติกาของสงเป็นต้นถ้าภิกษุอาคารตุ ก, กะอ่อนพรรษากว่าพึงนั่งบอก ชี้ที่วางบาตรจีวรชี้ที่นั่งบอกน้ำดื่มน้ำใช้บอกผ้าเช็ดรองเท้าเปิดโอกาสให้กราบไหว้และบอกเรื่องต่างๆที่ควรทราบสามขมิกะวัดข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเดินทางจากไปภิกษุผู้จะเดินทางจากไปพึงเก็บเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เครื่องใช้ที่ทำด้วยดินหมายถึงดินเผาปิดประตูหน้าต่างแล้วบอกมอบเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งถือเอาความว่าที่อยู่ที่อาศัยถ้าไม่มีภิกษุพึงบอกสัมมาเนนถ้าไม่มีสั ม, มาเนนพึงบอกคนดูแลวัดถ้าไม่มีคนดูแลวัดพึงบอกอุบาสกถ้าไม่มีภิกษุสั ม, มาเนนคนดูแลวัดหรืออุบาสก พึงวางเตียงไว้บนก้อนหินสีก้อนเพื่อไม่ให้ปลวกขึ้นแล้ววางเตียงซ้อนเตียงวางตังซ้อนตังทำเสนาสะนะให้เป็นกองอยู่ข้างบนเก็บเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทำด้วยดินปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไปถ้าวิหารรั่วถ้าสามารถก็พึงมุงซะหรือพึงทำความขวนขวายด้วยคิดว่า ทำอย่างไรจะมุงวิหารได้ถ้ามุงได้อย่างนี้ก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ที่ใดฝนไม่รั่วพึงวางเตียงไว้บนก้อนหินสีก้อนในที่นั้นวางเตียงซ้อนเตียงวางตังซ้อนตังทำเสนาสนะให้เป็นกองอยู่ข้างบนเก็บเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทำด้วยดินปิดประตูหน้าต่างแล้วหลีกไป ถ้าวิหารรั่วทั้งหลังถ้าสามารถพึงนําเสนาสะนะไปสู่หมู่บ้านหรือฝากชาวบ้านไว้หรือพึงทําความขวนขวายว่าทําอย่างไรจะนําเสนาสะนะไปสู่หมู่บ้านได้ถ้านําไปได้อย่างนี้ก็เป็นการดีถ้าไม่ได้พึงวางเตียงไว้บนก้อนหินสีก้อนวางเตียงซ้อนเตียงวางต่างซ้อนต่างทําเสนาสะนะให้เป็นกองอยู่ข้างบน เก็บเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทำด้วยดินคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วหลีกไปด้วยคิดว่าถ้าอย่างไรแม้ส่วนประกอบทั้งหลายจะพึงเหลืออยู่นี้แหละภิกษุทั้งหลายคือวัดของภิกษุผู้จะเดินทางจากไปที่ภิกษุผู้จะเดินทางจากไปพึงปฏิบัติโดยชอบสี่ พักตะควัตรวัดหรือข้อปฏิบัติในโรงฉันก่อนจะทรงบัญญัติเรื่องข้อปฏิบัติในโรงฉันได้ทรงอนุญาตให้กล่าวอนุโมทนาในโรงฉันและให้ภิกษุผู้เป็นเทระและพระผู้น้อยคือเทรานุเทระส่ถึงห้ารูปอยู่เป็นเพื่อนพระเทระในการกล่าวอนุโมทนาซึ่งสมัยก่อนพูดรูปเดียวเฉพาะหัวหน้า เมื่อมีธุระจาเป็นให้พระเทระกลับก่อนได้แล้วให้รูปรองลงมากล่าวอนุโมทนาแทนแล้วส่งปรารภภิกษุชัพพคีผู้ปฏิบัติไม่เรียบร้อยจึงส่งบัญญัติวัดในโรงฉันคือเมื่อมีผู้บอกเวลาอาหารในวัดแล้วให้นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคาดประกดเอวถือบาทเข้าบ้านด้วยดีไม่รีบด่วน ไม่พึงเดินออกหน้าพระเถระและปฏิบัติตามเสขียวัตรอันว่าด้วยการเข้าไปและการนั่งในบ้านทุกข้อไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระไม่พึงนั่งกันที่นั่งของพระที่อ่อนพรรษากว่าไม่พึงนั่งทับสังฆติในบ้านเมื่อเขาถวายน้ําพึงจับบาททั้งสองมือรับน้ําแล้วล้างบาทถ้ามีที่รับน้ําสําหรับเท พึงเทต่ําไม่ให้น้ํากระเซ็นเปียกภิกษุอื่นหรือเปียกสังฆาติถ้าไม่มีที่รับน้ําพึงเทลงบนพื้นดินไม่ให้น้ํากระเซ็นเปียก ภ, กภิกษุอื่นหรือเปียกสังฆาติเมื่อเขาถวายข้าวก็จับบาตรด้วยมือทั้งสองรับข้าวถ้ามีเนยใสน้ํามันหรือแกงอ่อมให้พระเทระสั่งให้เข้าใส่ให้สมส่วนกันพึงปฏิบตัติตามเสขียวัตร ว่าด้วยการรับบินทบาตและการฉันอาหารทุกข้อพระเทระไม่พึงรับน้ำจนกว่าภิกษุทั้งปวงจะฉันเสร็จเมื่อเขาถวายน้ำพึงเอามือทั้งสองจับบาทรับน้ำถ้ามีที่รับน้ำสำหรับเทพึงเทต่ำๆไม่ให้น้ำกระเซ็นเปียกภิกษุอื่นหรือเปียกสังฆาติเมื่อกลับ ให้ภิกษุอ่อนพรรษากว่ากลับก่อนด้วยอาการอันดีงามตามเสขียวัตรที่เกี่ยวกับการเข้าบ้าน5ปินทจาริกรวัตรวัดหรือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทเมื่อจะเข้าหมู่บ้านพึงนุ่งห่มให้เรียบร้อยและปฏิบัติตนขณะเข้าบ้าน เหมือนภิกษุผู้เข้าไปฉันในบ้านตามเสขิยวัดเมื่อจะเข้าสู่ที่อยู่พึงสังเกตทางเข้าออกไม่พึงเข้าออกโดยเรียบด่วนไม่พึงยืนไกลเกินไปหรือใกล้เกินไปไม่พึงยืนนานเกินไปหรือเร็วเกินไปพึงสังเกตว่าเขาใครจะถวายอาหารหรือไม่ถ้าเขาแสดงอาการจะถวายพึงยืนอยู่ เมื่อเขาถวายอาหารหรือใส่บาตพึงยกสังคติด้วยมือข้างซ้ายส่งบาทออกด้วยมือข้างขวาจับบาทด้วยมือทั้งสองรับอาหารไม่พึงมองหน้าของผู้ถวายอาหารพึงสังเกตดูว่าเขาทำอาการจะถวายแกงหรือไม่ถ้าเขาแสดงอาการพึงยืนรออยู่เมื่อเขาถวายเสร็จแล้ว พึงปิดบาทด้วยสังฆาติกลับไปด้วยดีไม่รีบด่วนต่อจากนั้นทรงแสดงเศขยิวัดเนื่องในการเข้าบ้านทุกข้อที่ภิกษุผู้เที่ยวบินธบาตจะพึงปฏิบัติเมื่อเสร็จการบินธบาตแล้วรูปใดกลับก่อนพึงปูอาสนะหรือที่นั่งตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว พึงล้างภาชนะใส่เศษอาหารตั้งไว้พึงตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ผู้ใดกลับจากบินธบาตในภายหลังถ้ามีของฉันเหลือถ้าปรารถนาก็พึงฉันถ้าไม่ปรารถนาก็พึงเททิง้งซะในที่ไม่มีของเขียวสดหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์พึงเก็บอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ล้างภาชนะใส่เศษอาหารเก็บไว้เก็บน้ำดื่มน้ำใช้กวาดโรงฉันผู้ใดเห็นหม้อน้ำดื่มน้ำใช้หม้อน้ำชำระว่างเปล่าพึงตักน้ำใส่ถ้าไม่สามารถก็พึงเรียกภิกษุรูปที่สองมาด้วยใช้มือแสดงให้ทราบว่าควรตักน้ำใส่ไม่พึงเปล่งวาจาในเรื่องนั้นหก อารัยิกวัดวัดหรือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่าภิกษุผู้อยู่ป่าพึงลุกขึ้นแต่เช้าเอาบาตรใส่ถุงแล้วคล้องบาเอาจีวรผ้าที่คอใส่รองเท้าเก็บเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้และดินเผาปิดประตูหน้าต่างแล้วลงจากที่อยู่อาศัยหรือเสนาสนะเมื่อจะเข้าบ้านพึงถอดรองเท้า เคาะในที่ต่ำใส่ไว้ในถุงแล้วคล้องบ่าหนุงให้เรียบร้อยคาดประกดเอวซ้อนผ้าคือจีวรกับสังคติแล้วห่มผ้าซ้อนนั้นติดลูกดุมล้างบาทแล้วถือเข้าไปด้วยดีไม่รีบด่วนต่อจากนั้นพึงปฏิบัติตามเสขียวัตรเนื่องในการเข้าบ้านทุกข้อเมื่อเสร็จจากการรับบินทบาต ออกจากบ้านแล้วใส่บาทไว้ในถุงคล้องบ่าหมวนจีวรวางไว้บนศีรษะใส่รองเท้าเดินไปภิกษุผู้อยู่ป่าพึงตั้งน้ำดื่มน้ำใช้และจุดไฟไววางไม้สีไฟไว้ตั้งไม้เท้าไว้เรียนรู้นักสัตรบทคือเรียนทางเดินของดาวเริ่ทั้งหมดหรือบางส่วนและพึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ เเสนาสนะวัดวัดหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยภิกษุในวิหารใดถ้าสามารถเธอพึงทําความสะอาดพึงจะทําความสะอาดวิหารพึงนําบาตรจีวร อ, ออกก่อนแล้ววางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งพึงนําผ้าปูนั่งผ้าปูนอนออกวางไว้หนส่วนข้างหนึ่งพึงนําฟูกและหมอนออกวางไว้หนส่วนข้างหนึ่ง เตียงต่างพึงทำให้ต่ำนําออกให้ดีอย่าให้ครูสีกับกระโถนออกวางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งพึงนําแผ่นกระดานสําหรับพิงออกไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งพึงสังเกตเครื่องปูพื้นตามที่ตั้งไว้เดิมแล้วนาออกวางไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งสมัยก่อนที่อยู่ไม่ยกพื้นโดยมากเมื่ออยู่กับพื้นดินจึงต้องใช้เตียงใช้ต่างและใช้เครื่องปูพื้น ถ้าวิหารมีหยากย่ยพึงนำหยากย่ยออกจากเพดานก่อนถ้าฝาที่ทาด้วยสีดินแดงเป็นจุดด่างพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ดถ้าพื้นทาด้วยสีดำเป็นจุดด่างพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ดถ้าพื้นไม่ได้ทาสีไว้พึงครมน้ำแล้วกวาดด้วยคิดว่าอย่าให้วิหารเปะเปื่อนด้วยทุลี พึงเก็บขยะไปทิ้งณส่วนข้างหนึ่งไม่พึงตีเศนาสะนะหมายถึงใช้มือทุบตีหรือใช้ไม้ตีให้ฝุ่นละอองออกไม่ทาในที่ใกล้ภิสุไม่พึงตีเศนาสะนะในที่ใกล้วิหารไม่พึงตีเศนาสะนะใกล้น้าดื่มไม่พึงตีเศนาสะนะใกล้น้ำใช้ไม่พึงตีเศนาสะนะในลานด้วยทวนลม พึงตีเศนาสนะด้านใต้ลมเครื่องปูพื้นพึงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งทำความสะอาดแล้วตีแล้วจึงนำไปปูไว้ณที่ซึ่งปูไว้เดิมที่รองเตียงพึงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งแล้วเช็ดนำไปตั้งไว้ในที่เดิมเตียงตัง่งพึงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่ง ทำความสะอาดแล้วเคาะแล้วทําให้ต่านำไปให้ดีมีให้ครูดสีบานและกรอบประตูแล้วพึงตั้งไว้ณที่เดิมฟูกและหมอนพึงตากแดดไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งทําความสะอาดแล้วตีแล้วจึงนำไปวางไว้ณที่เดิมผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงตากแดดไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งทาความสะอาดแล้วสบัดแล้ว จึงนำไปปูไว้ณที่เดิมกระโถนพึงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งขัดถูแล้วนำไปตั้งไว้ณที่เดิมแผ่นกระดานสำหรับพิงพึงตากแดดไว้ณส่วนข้างหนึ่งนำไปตั้งไว้ณที่เดิมพึ่งเก็บบาทจีวรสำหรับข้อนี้โปรดสังเกตว่าสิ่งที่นำออกก่อนเก็บเข้าทีหลังทั้งหมด เมื่อจะเก็บบาทพึงถือบาทด้วยมือข้างหนึ่งใช้มืออีกข้างหนึ่งคลำใต้เตียงใต้ตังแล้วจึงเก็บเพื่อไม่ให้บาทซึ่งโดยมากเป็นบาทดินกระทบอะไรแตกเสียหายไม่พึงวางบาทบนพื้นว่างคือที่ไม่มีอะไรบังอยู่ข้างบนเมื่อเก็บจีวรพึงจับจีวรด้วยมือข้างหนึ่งรูดราวจีวรหรือเชือกที่ขึงสาหรับผ้าจีวรด้วยมืออีกข้างหนึ่ง พึงเก็บจีวรเอาชายด้านนอกพับเข้ามาด้านในคือพาดจีวรเข้ามาหาตัวผู้พาดเพื่อไม่ให้จีวรไปกระทบของแหลมคมอื่นๆภิสษุน์ที่รู้วินัยข้อนี้เวลาตากจีวรจึงตากจีวรเข้าหาตัวถ้าลมมีฝุ่นทางทิศตะวันออกพัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถ้าลมมีฝุ่นทางทิศตะวันตกพัดมา พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตกถ้าลมมีฝุ่นทางทิศเหนือพัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้าลมมีฝุ่นทางทิศใต้พัดมาพึงปิดหน้าต่างด้านใต้ถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างในเวลากลางวันปิดเวลากลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างในเวลากลางวันเปิด er. นในเวลากลางคืน ถ้าบริเวณรกพึงกวาดบริเวณถ้าโรงเก็บของรกพึงกวาดโรงเก็บของถ้าโรงประชุมรกพึงกวาดโรงประชุมถ้าโรงไฟในที่นี้คือโรงไฟสำหรับต้มน้ำเป็นต้นถ้าโรงไฟรกพึงกวาดโรงไฟถ้าวัชกุติหรือซ้วมรกพึงกวาดวัชกุติถ้าน้าดื่มไม่มีพึงตั้งน้ำดื่มไว ถ้าน้ำใช้ไม่มีพึงตั้งน้ำใช้ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มีพึงตักน้ำใส่หม้อชำระถ้าอยู่ในวิหารเดียวกับภิกษุผู้แก่พรรษากว่ายังไม่ได้อาบุจฉชาคือบอกล่าวหรือขอโอกาสไม่พึงให้อุทเทศคือการแนะนำไม่พึงให้ปริบุตรชาคือการสอบถามไม่พึงทำการสาธยาย คือท่องบนไม่พึงกล่าวธรรมะไม่พึงจุดไฟไม่พึงดับไฟไม่พึงเปิดปิดหน้าต่างถ้าขออนุญาตแล้วทำได้ถ้าเดินจงกรมคือการเดินไปเดินมากำหนดจิตไว้ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในที่จงกรมอันเดียวกับภิกษุผู้แก่พรรษากว่าภิกษุผู้แก่พรรษากว่าอยู่ในที่ใดพึงกลับจากที่นั้น คือเมื่อเดินไปถึงที่นั้นแล้วให้กลับโดยคิดว่าชายสังฆาติจะไม่กระทบภิกษุผู้แก่พันษากว่านี้แหละภิกษุทั้งหลายคือวัดอันเกี่ยวกับเสนาสนะของภิกษุทั้งหลายที่ภิกษุทั้งหลายพึงปฏิบัติชอบในเรื่องเสนาสนะสำหรับการแปลเรื่องนี้เพื่อให้เห็นความละเอียดละอในการทรงบัญญัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย แชันตาคารวัตวัดหรือข้อปฏิบัติในเรือนไฟภิกษุผู้เข้าไปในเรือนไฟก่อนถ้ามูลเท่ามีมากก็พึงนําไปทิง้งซะถ้าเรือนไฟรกก็พึงกวาดถ้าชานภายนอกรกหรือบริเวณรกหรือซุ้มรกหรือโรงแห่งเรือนไฟคือโรงโถงที่มีเรือนไฟตั้งอยู่รกก็พึงกวาด พึงนำผงสําหรับถูตัวไปไว้ให้พร้อมทําดินเหนียวให้เปียกรดน้ำลงในรางน้ำเมื่อเข้าสู่เรือนไฟพึงเอาดินเหนียวทาหน้าปิดด้านหน้าด้านหลังในที่นี้คงหมายถึงปิดเรือนไฟปิดด้านหน้าด้านหลังแล้วพึงเข้าไปไม่พึงนั่งเบียดเสียดภิกษุผู้เป็นเทระไม่พึงนั่งกันที่ภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่า ถ้าสามารถก็พึงถูหลังให้ภิกษุผู้เป็นเทระเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงนำตังประจําเรือนไฟออกด้วยพึงปิดด้านหน้าด้านหลังแล้วออกจากเรือนไฟถ้าสามารถก็พึงถูหลังให้ภิกษุผู้เป็นเทระแม้ในน้ำไม่พึงอาบน้ำเบื้องหน้าภิกษุผู้เป็นเทระไม่พึงอาบน้ำในกระแสน้ำด้านเหนือพระเทระ เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วจะขึ้นก็ผึงให้ทานแก่ภิกษุทั้งหลายผู้กําลังขึ้นจากน้ำส่วนภิกษุผู้ออกจากเรือนไปที่หลังถ้าเรือนไปลื่นพึงล้างซะถ้าล้างรางแสดินเหนียวแล้วเก็บตั้งประจำเรือนไปซะดับไฟปิดประตูแล้วออกไปสำหรับข้อนี้แสดงว่า เมื่อเข้าไปอบในเรือนไฟให้เหงื่อออกแล้วก็ลงอาบน้ำในที่ใกล้ๆกันนั่นเอง 9. วัจจกุติวัดหรือวัจจกุดีวัดวัดหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับซ่วมก่อนที่จะส่งบัญญัติข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวัจจกุติท่งบัญญัติให้ภิกษุผู้ถ่ายอุจจาระเสร็จแล้ว ใช้น้ำชำระถ้าไม่ชำระต้องอาบัิทุกกฎและส่งอนุญาตให้เข้าสู่วัจจกุติตามลำดับที่ไปก่อนหลังโดยไม่ต้องคอยตามลำดับพรรษาซึ่งภิกษุผู้มีพรรษาอ่อนกว่าเดือดร้อนและส่งปรารภความไม่เรียบร้อยในการเข้าการใช้วัจจกุติของภิกษุเบญจะวะคีจึงทรงบัญญัติข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวัจจกุติดังต่อไปนี้ ภิกษุผู้ไปสู่วัจจ ก, กุติพึงยืนอยู่ข้างนอกทำเสียงกระแอมถ้ามีภิกษุอยู่ข้างในพึงกระแอมรับจึงผ้าดจีวรไว้ที่ห่วงสำหรับแขวนหรือราวสำหรับพาดพึงเข้าไปด้วยดีไม่รีบด่วนไม่พึงเลิกผ้าเข้าไปต่อเมื่อยืนบนเขียงรองเหยียบแล้วจึงเลิกผ้าไม่พึงเบ่งทายไม่พึงเคี้ยวไม้สีปันขณะทาย ไม่พึงถ่ายนอกหลุมอุดจาระนอกรางปัสสาวะไม่พึงบ้วนน้ำลายลงในรางปัสสาวะไม่พึงใช้ไม้ชมาระที่หยาบคือมีคมแข็งไม่พึงทิ้งไม้ชมาระลงในหลุมถ่ายเมื่อยืนบนเขียงรองเหยียบแล้วพึงปกปิดคือดึงผ้านุ่งลงไปปกปิดไม่พึงออกโดยรีบร้อนไม่พึงเลิกผ้าออกมาเมื่อจะชมระ ยืนอยู่บนเขียงรองเหยียบสำหรับชาระแล้วจึงเลิกผ้าไม่พึงชาระให้มีเสียงดังไม่พึงเหลือน้ำไว้ในขันชาระเมื่อยืนบนเขียงสำหรับเหยียบแล้วพึงปกปิดสำหรับข้อนี้แสดงว่าที่ถ่ายกับที่ชาระอยู่แยกกันแต่ใกล้กันถ้าว่าจักกุติเปื่อนพึงล้างซะา ถ้าที่ทิ้งไม้ชาระเต็มพึงนำไม้ชาระไปเททิ้งถ้าวัชกุติรกพึงปัดกวาดถ้าชานภายนอกบริเวณซุ้มรกก็พึงปัดกวาดถ้าน้ำในหม้อชาระไม่มีก็พึงตักน้ำใส่สิ 10. อุปัชญาวัด วัดหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอุปัชฌายะสัตธิวิหาริกคือผู้ที่อุปัชฌายะอวดให้เพึ่งลุกขึ้นแต่เช้าถอดรองเท้าทำผ้าห่มเฉวียงบ่าถวายไม้สีฟปันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้ามีข้าวยาคูพึ่งล้างภาชนะแล้วน้อมข้าวยาคูเข้าไปถวายแล้วถวายน้ำรับภาชนะมาล้างเก็บ เมื่ออุปัชัยยะลุกขึ้นให้ยกอาสนะขึ้นถ้าสถานที่รกพึงปัดกวาดถ้าอุปัชัยยะใกล้จะเข้าสู่หมู่บ้านพึงถวายผ้านุง่งรับผ้าที่ท่านผลัดถวายประคตเอวเอาผ้าจีวรกับสังคติซ้อนกันแล้วถวายล้างบาทและถวายทั้งที่มีน้ำถ้าอุปัชัยยะต้องการพระไปด้วยพึงนุ่งให้เรียบร้อย ซ้อนผ้าห่ผมผ้าซ้อนติดรังดุมตามท่านไปไม่พึงเดินไกลหรือใกล้เกินไปพึงรับอาหารแต่พอเหมาะแก่ บ, บาทเมื่ออุปชายะกำลังพูดไม่พึงพูดซ้อนนอกจากนั้นยังมีข้อปฏิบัติอีกมากมายซึ่งพอจะย่อกล่าวได้คือหวังความศึกษาในท่านขวนขวายป้องกัน หรือระงับความเสื่อมเสียอันจะมีหรือได้มีแล้วแก่ท่านเช่นระงับความกระสันความเบื่อหน่ายช่วยปลดเปลื้องความเห็นผิดของท่านหวนขวายเพื่อให้สงงดโทษที่จะลงแก่ท่านหรือเพื่อผ่อนเบาลงมารักษาน้าใจท่านไม่คบคนนอกให้เป็นเหตุแหนงใจเช่นจะรับจะให้เป็นต้นกับคนเช่นนั้น บอกท่านก่อนไม่ทำตามลำพังไม่เที่ยวเตะตามลำพังจะไปข้างไหนลาท่านก่อนเมื่อท่านอาพาธเอาใจใส่พยาบาลไม่ไปข้างไหนเสย จ, จนกว่าท่านจะหายเจ็บหรือถึงมรณะภาพ 11. สิอสัตธิวิหาริกวัรข้อปฏิบัติต่ตอสัตธิวิหาริก ภิกษุผู้เป็นอุปชายยะคือผู้บวชให้พึงปฏิบัติชอบในสัต ธ, ธิวิหาริกคือผู้ที่ตนบวชให้ดังต่อไปนี้เอาธุระในการศึกษาของสัต ธ, ธิวิหาริกสงเคราะห์ด้วยบาจีวรและบริการอย่างอื่นถ้าของตนไม่มีก็ขวนขวายหาให้ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียอันจำมีหรือได้มีแล้วแก่สัต ธ, ธิวิหาริก เช่นเดียวกับข้อปฏิบัติต่ออุปชัยยะเมื่อสัตธิวิหาริคอาพาธเอาใจใส่พยาบาล 12. อาจาริยวัดข้อปฏิบัติต่ออาจารย์ 13. อันเตวาศิกวัรข้อปฏิบัติต่ออันเตวาศิกทั้งสองอย่างนี้เหมือนกับข้อปฏิบัติระหว่างอุปชัยยะ กับสัทธิวิหาริก